َمِنْ مَنْ رَبَّنَا آتِنَا الدُّنْيَا حَسَنَةً حَسَنَةً َبَّنَا آتِنَا الدُّنْيَا حَسَنَةً هُمْ يَقُولُ فِي وَفِي فِي وَفِي وَقِنَا الْآخِرَةِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً عَذَابَ และในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นของพวกเรา โปรดประทานให้แก่พวกเราซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้และสิ่งดีงามในปราโลกและโปรดครุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิดอุลักแลห์มนัสซบุมิมมักเซบวัลลอฮฺสรียุลฮิซับชนเหล่านี้ลหละพวกเขาจะได้รับส่วนดีจากสิ่งที่พวกเขาได้แสวงหาไว้ และลอนนั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการชำระสอบสวน และพวกเจ้าจงกล่าวรำลึกถึงอัลลอ์ในบรรดาวันที่ถูกนับว้และผู้ใดรีบกลับในสองวันก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาและผู้ใดรังรอไปอีกก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาทางนี้สำหรับผู้ที่มีความยำเกรงและจงยำเกรง Allah, อัลลอฮ์เถิดและพึงรู้ด้วยว่าพวกเจ้าจะถูกนำไปชุมนุมอย่างพระ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 และขนาดเดียวกันก็เป็นผู้โต้เถียงที่ชะากัดจะกันยิง่งและเมื่อเขาให้หลังไปแล้วเขาได้เพียรพยายามในแผ่นดินเพื่อก่อความเสียหายในนั้นและทำลายพืชผลและเผ่าพันธ์ และอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบการก่อความเสียหายะเขาเล่าวแก่เขาว่าจงยำเกรงอ AH ัลลอฮ์เถิดความยิ่งในเกียรติก็ยึดเขาไว้ให้กระทำบาปต่อไปสิ่งที่พอเพียงแก่เขานั้นคือนรกยานหนัง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 แล้วร้อนั้นเป็นผู้ทรงปราณีแก่บรรดาปวงเบาทั้งหลายย่า أ ت ت ان. إن บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมด และจงอย่าก้าเดินตามบรรดารอยก้าวเดินของไชตอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้าแต่ถ้าพวกเจ้าหันเหออกไปหลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดเจนมาอย่างพวกเจ้าแล้ว ก็พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอล๋อทรงเดชานุภาพทรงปริชายาและพวกเขาไม่ได้คอยอะไรนอกจากการที่อล๋อและมาเลยกะ ของพระองค์จะนำการลงโทษมายัางพวกเขาในร่มเงาจากก้อนเมฆและเรื่องการลงโทษนั้นได้ถูกชี้ขาดเอาไว้แล้วและยังอัลลอฮ์นั้นเรื่องราวทั้งหลายจะถูกนำกลับไปสลลบนนนีอออิรุมมะ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 และพวกเขายังเย้ยหยับนบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยแต่บรรดาผู้ยำเกรงนั้นเหนือกว่าพวกเขาในวันพรโลกแ ล, ล้วเราจะทรงประทานปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่ปรุงระสง์โดยปราศจากการคำนวณ น, นับนันนาสมมาวาด فبعث الله النبيين مبشرين و م ن ذ ر ي ن وانزل معهم الكتاب وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه. و َ م َ خ ْ ت َ ل َ ف َ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا خ ْ ت َ ل َ ف ُ و ا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางอันเตี้ยงถุก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 ได้ประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้รับความหวั่นไหวจนกระทั่งศาสนทูตและมรดาผู้ศรัทธาซึ่งอยู่กับเขากล่าวขึ้นว่าเมื่อไร่เล่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมีมาพึงรู้เถิดว่าการช่วยเหลือของอัลลอ์นั้นใกล้ยอยู่แล้ว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 ก็จงให้แก่ผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองและบรรดา ญ, ญาติที่กล้ชิตและแก่บรรดาเด็กกาพรา้าและคนยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทางและความดีใดๆที่พวกเจ้ากระทมอยู่นั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้รู้ดีคุิบอาลัยคุมุลกิทาลวะฮวะครหุลละ كم, าาคุมวะซาอันเตครหูเช่ยอูวะฮูวะ خير ุลละคุม วกาลมูนรสู้รบนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วทั้งๆที่มันเป็นที่รังเกียจแก่พวกเจ้าและอาจเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งทงั้งๆที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเจ้าลอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าชอบสิ่งหนึ่ง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 والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى ي ر د و ك م عن دينكم إن استطاعوا ومن ي ر ت ل منكم عن دينه ف ي م ت وهو كافر فأولئك ف و ل ئ ك حبطت ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل خ ر و و ل ئ ك ص ح ا ب النار هم فيها خ ا د ن พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเดือนที่ต้องห้ามการสู้รบในเดือนนั้นจงกล่าวเถิดว่าการสู้รบในเดือนนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตในการขัดขวางให้ออกจากทางของอัลลอฮและการปฏิเสธศรัทธาต่อพระ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 พวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนาของเขาแล้วตายในขณะที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วใส่ชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาก็ไร้ผลทั้งในโลกนี้และประโลกและชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกซึ่งพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล ออ وا แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่อพยพบและได้ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์นั้นชนเหล่านี้นนนแหละที่หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ และอ ل, ل ه ลอนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شا ะพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ำมันและการพนันมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าในสองนั้นมีโทษมากและมีคุณประโยชน์แก่มนุษย์แต่โทษของมันทั้งสองนั้นมีมากกว่าคุณประโยชน์ของมันและพวกเขาก็จะถามเจ้าว่าพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดจงกล่าวเถิดว่า สิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายในธรามนองนั้นแหละอลัลลอฮ์จะทรงแจกแจงองค์การทั้งหลายแก่พวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะได้ใค ร, คร่ครวญทั้งในโลกนี้แหละประโลกและพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับบรรดาเด็กกัพราจงกล่าวเถิดว่าการปรับปรุงแก้ไขใดๆสาหรับพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งและถ้าหากพวกเจ้าจะร่วมอยู่กับพวกเขา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 و َ ل ا أ َ م َ ة ت ُ م مُؤمِنَةٌ خيرٌ َ مِمْ م ُ ش ْ ر ِ ك َ ة ِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا ت ُ ن ك ِ ح ُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ و َ ل َ ع َ ب َ د ُ م مُؤْمِنٌ خيرٌ َْ مِمْ م ُ ش ْ ر ِ ك ِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ และพวกเจ้าจงหยาดแต่งงานกับมุชริกจนกว่านางจะศรัทธาและแน่นอนทาตหญิงที่ศรัทธานั้นดียิ่งกว่าหญิงที่เป็นมุสลิมแม้ว่านางได้ทําให้พวกเจ้าพึงพอใจก็ตาม และพวกเจ้าจงอย่าให้นางแต่งกับชายที่เป็นมุสลิมจนกว่าพวกเขาจะศรัทธาและธาตชายที่เป็นผู้ศรัทธานั้นดีกว่าชายมุสลิมและแม้ว่าเขาได้ทำให้พวกเจ้าพึงพอใจก็าตามชนเหล่านี้แหละจะชักชวนไปสู่ไฟนรกและอลัลลอฮ์นั้นทรงเชิญชวนไปสู่สวรรค์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 และจงยาเข้าใกลนน้ น, กานานจนกว่านางจะสะอาดครั้นเมื่อนางได้ชำระร่างกายสะอาดแล้วก็จงมาหานางตามที่อัลลอฮ์ทรงชายพวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงชอบบรรดาผู้สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและทรงชอบบรรดาผู้ที่ทำตัวให้สะอาด บรรดาหญิงของพวกเจ้านั้นคือแหล่งพ่อปลูกของพวกเจ้า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 และในการที่พวกเจ้าจะปรณีประนอมระหว่างผู้คนแ ล, แล้วล้อนั้นเป็นผู้ส่งได้ยินผู้ส่งรอบรู้ยิง่งและอาุอลลอฮ้วลัุยาุัสัจุัลลอฮกรุละมอัลลอฮจะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยคำพูดพร่อยๆในการสาบานของพวกเจ้า แต่ถ้าว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยการสาบานที่หัวใจของพวกเจ้ามีจุดมุ่งหมายและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงขันติสำร บ, บันดาผู้ที่สาบานว่า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 เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ ولا يحل لهم أيكتم ما خلق الله فيه أرحامهن إن كن إن يؤمن بالله واليوم الآخر و ب ع و ل ت ه ن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا และบรรดาหญิงที่ถูกอย่าดพวกนางต้องรอคอยตนเองสามกุรและไม่อนุญาตให้แก่พวกนางในการที่พวกนางจะปกปิดสิ่งที่อัลลอ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 และสําหรับบรรดาชายนั้นมีฐานะเหนือกว่าพวกนางขัน้นและอลลอนนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาอัตตลากมัรรทานฝ่อมสาคุมบิมารูฟินเอาตสรี ح มบิอ حس าน ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا يخافا إلا أي خاف أن لا يقي ما حدود الله فإن خفتم أن لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في ما ا ف ت َ ت به ที่เหล و و า่านั้นมีสองครั้งแล้วให้มีการยับยังไว้โดยชอบธักหรือไม่ก็ให้ปล่อยไปพร้อมกับการทำความดีและไม่อนุญาตแก่พวกเจ้า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 คือขอบเขตของอัลล่ะพวกเจ้าจงยาละเมิดมันและผู้ใดละเมิดขอบเขตของอัลล่ะแล้วใซชนเหล่านั้นแหละคือผู้อธรรมแก่ตัวเองฟะอินตลกห้าฟะลาตหิลละหูมินบ่าดหัตตาทันคิฮะ زوج ันไหร่ะ فَإِن فَلَا طَلَّقَهَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ظَنَّا ظَنَّا أَنْ إِنْ إِنْ يُقِيمَا اللَّهِ وَتِلْكَ اللَّهِ لِقَوْمٍ حُدُودَ حُدُودُ يُبَيِّنُهَا يَعْلَمُونَ ถ้า <ت> ห <ص> า <في> พ <ق> วกเขาได้ยากนะ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 ทรงแจกแจงมันอย่างแจ่มแจ้งแก่กลุ่มชนที่ทราบดี َلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وا اللَّهَ وَعْلَمُوا اللَّهَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ هُزُوَا وَادْكُرُوا وَمَا وَاتَّقُوا يَعِظُكُمْ بِهِ بِكُلِّ نِعْمَةَ مِنَ شَيْءٍ และเมื่อพวกเจ้าอยากับบรรดาพันยา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 และจงอย่าเถือองการของอัลลอฮ์เป็นที่เย้ยหยันและพึงรำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มิตรแก่พวกเจ้าและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าอันได้แก่คำภีและบทบัญญัติซึ่งพระองค์จะใช้มันนั้นตักเตือนพวกเจ้าและพวกเจ้าพึงยำเกรง อ, อัลลอฮ์เถิดและพึงทราบเถิดว่าแท้จริง وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أ َ ج َ ل َ ه ُ ن َّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ فَلَا ت َ ع ض ُ ل ُ ه ُ ن ّ أ َ ي َ ا ْ ك ِ ح ْ ن َ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا ت َ ر َ ا د َ و ْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ และเมื่อพวกเจ้าได้ยาพันยานแล้วนางเหล่านั้นได้ถึงกำหนดเวลาอิดเดของพวกนางแล้ว